คำว่าพระองค์เสด็จเป็นไปในธรรมนี้เนี่ยนะครัว่าทรงเป็นไปในธรรมนี้ก็คือปวัตตาพะควาอิทะธรรมเมความว่าพระผู้มีพระภาคก้าวทรงประกาศพระธรรมในพระศาสนานี้อธิบายว่าพระองค์ประกาศพระธรรม8ปดหมพันพระธรรมขันนั่นเองเสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดกับพันุ์พระจุนทว่าจุนทะเธอจงช่วยปูผ้าสังขาติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเราจักนอน อาและผ้านนไปไหนท่านบอกว่าพระอานนท์เนี่ยตอนนั้นท่านมวัวแต่ซักผ้าซักผ้าแล้วก็บิดผ้าส่วนพระจุนทาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยชายให้พระจุลธาเนี่ยพับผ้าเป็นสี่ชั้นเพื่อโปร่งจับประทับนอนพระจุนทาผู้มีตนอันอ บ, บรมแล้วคําว่ามีตนอันอ บ, บรมแล้วเนี่ยหมายคำว่าอ บ, บรมด้วยอะไรตอนแรกท่านก็ตั้งความปรารถนามาตลอดสี่สงไขแสนกับ แล้วตอนหลังสุดในชาติสุดท้ายก็อบรมด้วยคำสอนแล้วเจริญศีลสมาธิปัญญาจนได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่เป็นมหาสาวกานะสีติสาวกของพระพุทธเจ้าก็นะ ว, ว่าเป็นสาวกผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นผู้ที่อบรมด้วยอะไรบ้างด้วยบุญในอดีตมาเป็นอย่างดีและปัจจุบันท่านก็อบรมตัวท่านด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะจนได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันตตสาวก พระจุนท่านั้นก็พระองค์พระพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วก็ปูราดผ้าสังคาติที่พระเป็นสี่ชั้นถวายพระศาสดาทรงบรรทมแล้วก็หายเหนื่อยนะบรรทมจนหายเหนื่อยแม้พระจุนท่าก็นั่งเฝ้าอยู่นะเฉพาะพระพักณที่นั้นๆก็คิดดูนะว่าแม้คนที่เคยมีเรมีแรงมีพร ะ, ะมีกําลังเนี่ยนะเคยมีกําลังเช่นกับช้างกี่เชือก ช้างเป็นถ้าพูดมนุษย์พวกเราธรรมดาเนี่ยแสนโกธถ้าช้างปกติทั่วไปก็ประมาณพันโกดนี่นะช้างช้างมนุษย์ถ้าเป็นช้างเนี่ยพันโกธถ้าเป็นพวกเราเนี่ยรวมกันแสนโกดรวมกันเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีกําลังถึงขนาดนั้นเดินไปก็เหนื่อยไปต่อไม่ไหวแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ น, นี่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับท่านพระอนนคือระหว่างทางนั่นนะ หลังจากพระนรนไปบิดผ้าตากผ้าไรเบ็ดเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็รับสั่งกับท่านทระนรินว่าดูก่อนนริ น, นบางทีใครใครจะทำความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกัมมารบุตรเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยก็จะไปตำหนิท่านพระเออขออภัยตหนิ น, น, นายจุนทะว่าดูก่อนจุนทะไม่เป็นลาภของท่านท่านไม่ได้ดีแล้วคือท่านเนี่ยทำไม่ดีพระตถาคตได้บริโภคบิณฑบาต ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จปริ น, นิพานยังไงคือต้องมีคนว่าอยู่แล้วพระองค์รู้ว่าต้องมีคนว่าหมายความว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสพุทธพจน์อันนี้ออกไปเนี่ยพระจุนทารับเล่เลย น, นะคนก็จะไปตําหนิพร ะ, ะท่านจุนท่าว่าลาบคือผลของบุญของท่านเนี่ยไม่ใช่แล้วไอ้ที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้บุญรอกอ น, นะอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็แหม้เสียหายมากอ น, นะ ท่านก็บุญก็ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์เพราะอะไรเพราะอาหารที่ท่านทําบุญไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือองค์ประกอบอื่นๆของอาหารใครจะร่วมไม่ขึ้นราอาจจะมีชื่อโรคอยู่ในนั้นก็ได้อาจจะมีโทษก็ได้อาหารที่ท่านเอามาทําบุญอาจจะเป็นอาหารที่เป็นพิษก็ได้คนที่เรียกว่าอุป บ, บํารุงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือถ้าใครดูแลให้พระองค์ได้ดีได้นะคนก็ชื่นชมสรรเสริญใช่ไหมแต่ถ้าเขาเชื่อว่าพระองค์ถูกผู้ใดทําลายเขา้าหรือมีคนที่ยุแยกเนี่ยนะเป็นคนที่ยุแยกแล้วก็คอยเสียดสีเป็นต้นเนี่ยเดือดร้อนแน่นายพัดนายจุนทะต้องเสียใจแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครไปพูดอย่างนี้เขา้าเธอพึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจุนทะกรรมารบุตรเสียอย่างนี้ว่า จุนทะนะหรือว่าจุนทะกรมมารบทเนี่ยนะเป็นลาบของท่านแม่ลาบอันนี้ท่านได้ดีแล้วเนี่ยนะก็คือเป็นอันนี้สงเป็นผลบุญผลอ น, นิี้สงของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วได้ดีแปล ว, ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยสมควรแล้วพระตถาคตได้บริโภคบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ปรินิพานนี่เป็นบุญของท่านนะใครจะไปมีโอกาสได้ถวายถวายอะไร ถวายอาหารให้แก่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะมื้อสุดท้ายเนี่ยใครจะมีโอกาสได้ทําเหมือนท่านเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เราได้ยินได้รับมาเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบินทบาทสองคราวนี้มีผลเสมอกันไม่ต่างกันเลยตอนไหนนะมีวิบากเสมอกันผลใหญ่กว่าทานอย่างอื่นทั้งหมดและมีอ น, นิสงส์ใหญ่กว่าบินทบาทอื่นๆยิ่งนัก ในบรรดาบุญทุกบุญที่คนทําแล้วถวายพระพุทธเจ้าอาหารของนางสุชาดากับอาหารของนายจุนทะกามารบุตรเป็นทานที่มีผลมากกว่าทานอย่างอื่นทั้งหมดอา น, นิสงส์ใหญ่กว่าทานเรียได้บุญมากกว่าอย่างอื่นางั้นเพราะอะไรเพราะบินทบาทสองคราวนั้นเป็นไนคือพระตถาคตบริโภคบินทบาทใดแล้วตรัสรู้อัพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้อย่างที่หนึ่งถือว่าเป็นทานที่ มีผลใหญ่กว่าทานอย่างอื่นๆเมีย น, นิสงใหญ่กว่าทานอื่นๆบินทบาทอย่างอื่นทั้งหมดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพระตถาคตบริโภคบินทบาทใดแล้วเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุหมายคา็ว่าฉันเสร็จแล้วก็ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยปรินิพานอย่างไม่มีเหลือ บินธบาสสองคราวนี้มีผลสม่าเสมอการมีวิบากสม่าเสมอกั น, ม, ม, ม, กนมีผลใหญ่กว่าและมีอ น, นิสงส์ใหญ่กว่าบินธบาสอื่นๆยิ่งนักโดยเฉพาะกรรมที่นายจุนทะกรร ม, มารบุตรสั่งสมก่อสร้างแล้วเป็นไปเพื่อให้อายุยืนบุญอันนี้เนี่ยทำให้อายุยืนยาวทําให้มีผิวพรรณที่งดงามเป็นไปเป็นไปเพื่อให้ได้รับความสุขมียศคือมีบริวารมาก เป็นไปเพื่อสวรรค์และเป็นไปเพื่อความใหญ่ยิ่งก็คือเรียกว่าบุญที่ทํากับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจดูก่อนอานนท์เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทกกรมมารบด์เสียด้วยประการชนีเสร็จ แ, แล้วพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็เปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้ผู้ให้ด้วยเจตนาลมที่ดีทํา ด้วยวัตถุที่อย่างดีเยี่ยมไปถวายบุญเจริญแก่ผู้นั้นแน่นอนเพราะอะไรเจริญด้วยอะไรเจริญด้วยอายุวันนะสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่ยิ่งเนี่ยนะก็คือความเป็นผู้มีอํานาจมากอันนี้เป็นผลของการทําบุญและเวนย่อมไม่ก่อแก่ผู้สํารวมอยู่ น, น, นะนะเวนเนี่ยย่อมก่อผู้ไม่สำรวมผู้สำรวมสำรวมด้วยอะไรสํารวมด้วย จะตุปาริสุทธีศีลผู้ที่สัมรวมด้วยศีลเนี่ยย่อมไม่ก่อเวรไม่มีเวรเพราะอะไรเพราะปานาติบาตก็ก่อเวรให้ตัวเองอายุสั้นต่อไปอาทินนาทานก่อเวรให้ตัวเองเนี่ยเสียโภกท้าศัพเป็นต้นการเมศสุมิจฉาจางก็ก่อเวรให้ตัวเองเป็นที่รังเกียจและขยะขยะงของของคนทั่วไปถ้ามุสาวาก็ก่อเวรให้ถูกหลอกเป็นประจำถา้าดื่มสุราก็ก่อเวรให้สติปัญญานี้ลดน้อยถอยลงไปเสื่อมคุณภาพทาง ปัญญาเป็นต้นฉะนั้นคนที่ผิดศีลทั้งหลายก็เรียกว่าก่อเวรแต่ถ้าสำรวมปิดห้ามตัดใจจากเวรทั้งห้าเหล่านั้นก็ไม่ก่อเวรเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนเช่นเป็นอายุก็ยืนยาวนานพวกข้ัพย์ก็เจริญเป็นที่รักของประชุมชนและต่อไปอได้รับคำสัตย์คำจริงและสติปัญญาก็มี ความเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบที่ดีพันพระองค์บอกว่าเวนย่อมไม่ก่อแก่ผู้สํารวมปิดปบปิดบาปเนี่ยนะปิดด้วยศีและสังวรเป็นต้นส่วนคนฉลาดเทียวย่อมละกรรมอัลามกคนฉลาดคือคนที่เจริญอริยมรรสําเร็จเป็นพระ้าหันเนี่ยนะย่อมละกรรมที่เป็นบาปที่จะนําไปสู่ภพใหม่ทั้งหมดเขาปรินิพานแล้วเพราะราคะโทสะโมหะสิ้นไปพันผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะก็ปรินิพานแล้วก็ดับทุกข์ได้อย่าง สิ้นเชิงขคาอธิบายเพิ่มเติมว่าในหน้า413ถามว่าพระตถาคตสรรเสริญบินทบาทใดที่นางสุชาดาถวายแล้วแล้วก็ตรัสรู้คือพระองค์ฉันอาหารของนางสุชาดาเสร็จก็ตรัสรู้บินทบาทนั้นพระองค์ทรงสเสวยในเวลาที่ยังมีราคะโทสะและโมห oh ะตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าทําไมรับอาหารอันนั้นแล้วมีผลมาก แต่บินทบาทที่นายจุนท่กรรมระบุถวายแล้วพระองค์สเสวยในเวลาที่ปราศจากราคะโทสะโมหะตอนนั้นพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่หรือทําไมอาหารบินทบาทที่ถวายนั้นจึงมีผลเท่าเท่ากันน่าคิดนะเออก็ใช่อย่างที่ท่านถามเออตอนแรกในพระองค์ก็ยังมีราคะโทสะโมหะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอะไรตอนท้ายนายจุนท่าเนี่ยถวายแล้วก็ ตอนที่พระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วและจะปรินิพานนายจุนท่านน่าจะได้บุญมากกว่านางสุชาดาตอบว่าแก่ว่าเพราะเสมอกันโดยปรินิพานคือไอไอเสมอกันกับเราอะท่านไม่เหมือนกันของเราก็เอาว่าตอนมีกิเลสกับไม่มีกิเลสแต่ของของขอ ง, ของท่านคือท่านหมายถึงพระพุทธเจ้านะของพระองค์บอกว่าโดยการปรินิพานโดยการเข้าสมาบัติและโดยการระลึกถึงเหตุผลสามประการที่เสมอกัน อันดับแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยบินทบาทที่นางสุชาดาถวายแล้วก็เสด็จปรินิพานด้วยอุปาทิเสสนิพา น, านาธาตุหมายคือว่าดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือดับราคะโทสะโมหะทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือส่วนบินทบาทที่พระองค์เสวยที่นายจุนทะถวายเนี่ยพระองค์ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพา น, า น, านาธาตุ ดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารและดับวิญญาณดับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพรันตอนที่พระองค์ฉันอาหารของนางสุชาดานั้นดับกิเลสตอนที่พระองค์เสวยอาหารของนายจุนทะและพงค์ก็ดับขันคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะพันอันเนี้ยโดยปริณิพานโดยการดับอันหนึ่งดับกิเลสอันหนึ่งดับทุกข์จึงเสมอกันโดยปริณิพานโดยการดับ สเสวยอาหารของนายของนางสุชาดา น, นั้นดับเหตุให้เกิดวัตททุกสเสวยอาหารของนายจนทาก็ดับวัตททุกเนี่ยนะดคือดับวิบากและกรรมชะรูปอันนี้เรียกว่าเสมอการโดยการปรินิพานอย่างที่สองเหตุผลที่สองบอกว่าเสมอการโดยกา ร, การเข้าสมาบัติว่าแรกตรัสรู้พระ อ, องค์เข้าสมาบัติเข้าใดตอนที่พระ อ, องค์จับปรินิพานก็เข้าสมาบัติ เท่านั้นกล่าวว่าในวันที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เข้าสมาบัตินับได้สองล้านสโกดโอ้เยอะมากเลยนะาคิดยังไงก็คิดเหรคำนวณกับกระสินสิบคำนวณกับฌานสี่นะคำนวณกับ อ, อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งฌานทั้งโดยสมถะและนยยต่างๆของวิปัสสนาซึ่งพระองค์ใคร้ควรวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้สองล้านสโกดสมาบัติเนี่ยนะในตอนแรกตรัสรู้พระองค์ เข้าสมาบัติแม้ฉันใดในวันปรินิพานพระองค์ก็เข้าสมาบัติทั้งหมดเหล่านั้นเหมือนกันเข้าสมาบัติเท่ากันอย่าลืมว่าผู้ใดถวายทานแก่ผู้เข้าสมาบัติเนี่ยนะผู้เข้าสมาบัติถ้ายิ่งเข้าอนิมิตตสมาบัติอปนิหิตตสมาบัติสุญญตาสมาบัติภะละสมาบัติเป็นต้นเนี่ยทานที่ถวายในท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากอันิพัน พระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติเท่ากันแรกตรัสรู้กับก่อนปรินิพานเข้าเท่ากันวันสองท่านนี้จึงได้บุญมากเนี่ยนะสองท่านจึงได้บุญมากเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญนั้นน่ะเข้าฌานเท่ากันอะไรเท่ากันเข้าฌานทั้งโลกียะและโลกุตระฌานเนี่ยนะอย่างที่สโดยการระลึกถึงโดยอนุสติเนี่ยนะคือนึกเมื่อไหร่แล้วก็ดีใจนึกเมื่อไหร่แล้วก็ดีใจการการทำบุญเนี่ยนะ ตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหนึ่งคุณสมบัติของนาบุญคุณสมบัติของนาบุญเนี่ยนะทำให้ได้บุญบุญมากบุญน้อยอยู่ที่คุณสมบัติของผู้ที่เป็นนาบุญอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะพระองค์เป็นนาบุญอันสูงส่งพระองค์นั้นเข้าสมาบัติเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดความรู้สึกนึกคิดรวมๆแล้วเท่ากันแต่ถ้าตอนตอนกลางๆระหว่าง45ปีพระองค์ไม่ได้เข้าสมาบัติมากขนาดนั้น คือไม่ได้เข้ามากมายอะไรแบบก่อนอแรกตรัสรู้กับก่อนปรินิพานไม่ได้เข้ามากแต่ก็เข้าแต่ไม่ได้เข้ามากอย่างนั้นนะโดยจํานวนเนี่ยไม่มากแต่ก่อนที่จะแรกตรัสรู้กับก่อนปรินิพานเนี่ยเข้าจานวนสมาบัติมากนั้นคุณสมบัติของผู้เป็นนาบุญเนี่ยเพียบพร้อมเพียบพร้อมมากอย่างที่สามอันนี้สําคัญก็คือเกี่ยวกับตัวผู้ทําเองทําเสร็จแล้วตามระลึกถึงด้วยความ ปราบปลืปล้มใจตามระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจกล่าวว่าซึ่งนางสุชาดาหลังจากที่ทราบ ว, ว่าผู้ที่เราเห็นแล้วเอาอาหารไปถวายนั้นไม่ใช่รุกคเทวดาแต่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นฉันบินทบาทนั้นแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโวฉันอาหารบินทบาทนี้แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ดำรงอยู่ได้ด้วยบินทบาทของเราตั้งเจดสัปดาห์ 49วันพระองค์ไม่ได้ฉันอีกเลยเนี่ยนะวันไม่ได้ฉันอีกเลยเนี่อาหารของเรามื้อเดียวนะโอ้เราได้บุญมากดีใจมากเน่นะเมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นก็ระลึกว่าเป็นลาบของเราเนาะเป็นลาบของเราเนาะก็เกิดตีติโสมนัสไม่ใช่ดีใจครั้งเดียวนะสำนวนว่าดีใจตลอดชาติอนันน่นะเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจ อันนึกถึงหนึ่งครั้งก็ดีใจหนึ่งครั้งได้บอกวันไหนเหนื่อยก็นึกถึงตรงนี้ก็หายเหนื่อยแล้วเหมนก็มีความสุขนะอ่อนเพลียทางใจเมื่อไหร่ก็ระ ล, ลึกถึงว่าทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะทําบุญกับผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวรรวิมุตติสุขตั้งเ็สัปดาห์เนี่ยนะดีใจมากฝ่ายนายจุนท่ล่ะทําไมนายจุนท่ า, ะ า, า, ทาระลึกถึงแล้วดีใจก็บอกว่าบินทบาทครั้งสุดท้ายที่เราถวายเราเนี่ยได้ยอดแห่งธรรมแลว้ว ได้ยินว่าพระศาสดาสวยบิณฑบาตของเราแล้วก็เสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพานพระองค์ฉันอาหารของเราเสร็จแล้วพระองค์ดับทุกทั้งหมดเลยเนี่ยนะพระองค์สิ้นทุกตอนแม้แต่ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่พระองค์ก็หายป่วยหายไข้บางส่วนเพราะ อาหารของเราและก็อาหารของเราที่ถวายไปเนี่ยพระองค์ก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับทุกข์ดับชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตดับวัตตะโดยประการทั้งปวงกระลึกเถีงก็เป็นลาภของเราเดียวแล้วหนอะลาบแหละ ว, ว่าได้ดีแล้วเนอก็เกิดปีติโสมานัตพันธอาหารสองคราวนี้มีวิบากเสมอกันมีผลเสมอกันแล้วก็ยิ่งกว่า ทานอื่นๆทั้งหมดยิ่งกว่าทานอื่นๆทั้งหมดตลอดระยะเวลาอย่างนั้นพราะอาหารที่ทั้งสองท่านทำนั้นเป็นไปเพื่อมียศก็คือมีบริวารมากเนี่ยนะก็คือมีอายุยืนมีวันนะงดงามมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีบริวารมากแล้วก็เป็นไปเพื่อสวรรค์แล้วก็เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่เป็นผู้มีอํานาจเนี่ยนะนะส่วนข้อความในคาถ า, าที่บอกว่า บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้คือคนที่ให้ทานทั้งหลายเนี่ยก็จะเจริญด้วยบุญเพราะก่อนให้ใจก็ผ่องใสกําลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วใจก็ผ่องใสระลึกถึงเมื่อไร่ก็สบายใจระลึกว่าบุญเหล่านั้นเราก็ได้ทําไว้แล้วบุญเหล่านั้นเราก็ทําไว้แล้วโดยเฉพาะธรรมซึ่งผู้ที่เป็นนาบุญคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยิ่งปราบปลื้มปีติและสมนะก็ดีใจมากว่าได้ทํากับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญา ทำบุญในผู้ที่สั่งสมบุญมาในระยะเวลาอันเนิ่นนานเนี่ยนะก็ดีใจปลาบปลื้มใจมันบุญก็เจริญขึ้นยิ่งระลึกถึงอาราพระเจตนาก็ยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นเรียกว่าระลึกถึงในวันหลังเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งจากณาสติส่วนบอกว่าผู้ที่รักษาศีลห้าก็ไม่ก่อเวรหรือผู้ที่รักษาศีลดีสํารวมอยู่ด้วยจตุปาริสุทธิศีลเป็นต้นก็พ้นจากเวร มันคนที่มีเวนนะถ้ากายทุจริตนั่นแหละก่อเวนว่าจีทุจริตนั่นแหละก่อเวนคําว่าทุจริตคือทําไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุให้ก่อเวนถ้าทําดีพูดดีไอ้คาว่าดีหมายว่าทําถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดไม่เลอะเทอะไม่เลอะเลือนนี่เรียกว่าทําดีไอ้การทําดีนี่แไม่ก่อเรื่องไม่ก่อปัญหาเนี่ยนะถ้าแต่เวนไปทําชั่วด้วยกายวาจาเมื่อไหร่ก็ก่อเรื่องก่อปัญหาตามรามาจนนั่งไม่เป็นสุขนั่นแหละ ส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายกุโสโลจะภาชาหติปาปะกังผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาคืออริยมรรคเนี่ยก็จะละอกุสลธรรมอัลลา ม, มกเช่นสมบูรณ์ด้วยโสดาปฏิมรรคละสกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพตะปรามมาตริอิจชาริสยาเนี่ยนะละอกุศลธรรมเหล่าใดที่นำไปสู่อบายทุกติวินิบาตนารกทั้งหมดหรือว่าะละสกัาคามิมรรคก็ทำบาปคือราคาโทสะโมหให เ บ, บาบๆงถ้าเป็นท่านาคามีก็ละบาปคือกามราคะและปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดถ้าพลาดหายก็กําจัดอกุศลธรรมได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดดังที่กล่าวมาแล้วนี้แหละดับราคาโทสะและโมหะบทว่าราคะโทสะโมหะขยานนิพุโตผู้ฉลาดนั้นละอกุศลธรรมอัลามกนี้แล้วนิพพานด้วยกิเลสนิพพาน หมายคือว่าถ้าตรัสรู้นิพผานแล้วกิเลสดับโดยไม่มีส่วนเหลือราคะก็ดับโทสะก็ดับโมหะก็ดับเป็นต้นสรุปว่าคาถานี้พระองค์ตรัสหมายว่าพระองค์พิจารณาทักษิณาทานทักษิณาก็คือบุญเนี่ยนะผู้ทำเนี่ยหนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาสองถึงพร้อมด้วยทยธรรมและที่สำคัญคือทักขินยะสมบัติของพระองค์ว่าไปหานาบุญที่ยอดของนาบุญนั้น จากนั้นได้อีกที่ไหนเพราะมื้อนั้นเป็นมื้อสุดท้ายหลังจากนั้นพระองค์จะไม่ฉันอาหารของผู้ใดอีกแล้วเว้นไว้แต่ฉันน้ําฉันใดเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ฉันอีกแล้วเพราะใครจะไปหาหนาบุญดีขนาดนี้ตลอดทั่วพุทธันดร น, นี้โน้นต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหมนะ่นั่นแหละจึงจะได้ทําอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายบย่างนั้นเถอะมันก็ดีใจปลื้มใจกับบุญของนาย จนทาและพระองค์ก็ดีใจกับพระองค์นั้นเป็นสุดยอดของทักษินายะบุคคลพระองค์ไม่ได้เศร้าใจไม่ได้ลำบากใจแม้แต่นิดเดียวเลยในในบรรดาผู้ที่ส่งด้วยคุณธรรมเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเตียงสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะพรุ่งนี้จะได้กล่าวถึงเตียงสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะดับคันทปรินิพาน